พระบัญญัติเจ0รก็ภิกษุณีใดกำนัดรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือชายผู้กำนัดด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวหรือฉันแม้ภิกษุณีนี้ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อปัตมาปฏิกะนิสรณีิยะเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทาจบ